จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาครรณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเศารที่16หสิงหาคมพุทธศักราช5 5งเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญด้วยเหตุผลต่าง บางท่านมาทำบุญเนื่องจากเป็นวันเกิดบางท่านมาทำบุญเนื่องจากเป็นวันแก่คือพอแก่มากก็รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายก็รีบมาทำบุญเสียบางท่านก็มาทำบุญเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้หายจากโรคภัยไข้ขเจ็บก็มาทำบุญ บางท่านก็มาทำบุญเนื่องจากวันตายของผู้ที่มีพระคุณหรือของคนที่เรารักนี่คือเหตุผลต่างๆที่พวกเรามาทำบุญกันมันก็หนีไม่พ้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายนีเ่เพราะความเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นเหมือน ชีวิตของเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราที่พวกเราทุกคนจะต้องประสบกันเรื่องต้นเราก็เกิดกันเกิดแล้วเราก็แก่แก่แล้วเราก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็ตายไปพอตายไปเราก็ต้องไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลบา ที่เราทำกันไว้ใหม่พอผลบุญผลบาปบทกำลังที่จะดึงให้เราไปสวรรค์หรือดึงให้เราไปอบายเราก็มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทําบุญกันใหม่ทําบุญเนื่องในวันเกิดใหม่ทําบุญเนื่องในวันแก่ทําบุญเนื่องในวันเจ็บไข้ได้ป่วย และทำบุญเนื่องในวันตายนี่คือบุญต่างๆที่เราถามกันบุญนี้โดยหลักแล้วผู้กระทำเป็นผู้ได้รับผลมากที่สุดส่วนผู้ น, นี้ได้รับผลน้อยหรือไม่ได้รับเลยขึ้นอยู่กับฐานะของผู้รับว่าอยู่ในฐานะที่รอรับบุญหรือไม่ เช่นถ้าตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ต้องรับผลบุญเพราะบุญที่ส่งไปให้นี้เป็นบุญเพียงจานวนเล็กน้อยผู้ที่เป็นเทวดาคือเป็นผู้ที่มีบุญมากเป็นเศรษฐีบุญบุญที่เราอุทิศนี้เป็นเหมือนเงินเราให้กับขอทานดังนั้นเราเอาเงินที่จะให้ขอทาน ไปให้เศรษฐีเศรษฐีเขาก็ไม่รู้สึกอะไรไม่ได้ทำให้เขาร่ำรวยมากขึ้นแต่อย่างใดไม่ได้ทำให้เขามีความสุขเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดดังนั้นเทวดาจึงไม่ต้องรอรับบุญของไข่เพราะก่อนจะตายได้ทำบุญไว้มากพอตายไปก็เลยได้ไปเป็นเทวดา จึงเป็นบุคคลที่ไม่ต้องรอรับส่วนบุญถ้ามาเป็นมนุษย์ก็ทำบุญเองได้ไม่ต้องรอรับส่วนบุญของผู้อื่นท ำ, ทำเองได้บุญมากกว่าบุญที่อุทิศบุญที่อุทิศนี้ท่านเปรียบเหมือนน้ำที่ติดอยู่ในเศษแก้วอยู่ในแก้วเวลาเทน้ำทิ้งไปแล้ว ก็จะมีเหลือน้ำไม่กี่หยดติดอยู่ในแก้วนั่นคือบุญอุทิศเป็นอย่างนั้นส่วนบุญที่เราทำนี้เหมือนน้ำที่เราเทใส่ไปในแก้วจนเต็มได้บุญมากกว่าหลายร้อยเท่าด้วยกันแต่อย่างน้อยก็ยังดีถ้าผู้ที่รอรับส่วนบุญถึงแม้ว่าจะเป็นบุญเพียงเล็กน้อย ก็ยังจะช่วยบรรเทาความหิวโหวยบรรเทาความทุกข์ยากลาบากได้เหมือนกับที่เราให้เงินกับขอทานถึงแม้ว่าจะเป็นเงินเพียงเล็กเล็กน้อยๆสําสำหรับเราแต่สำหรับขอทานมันก็เป็นเงินมากพอที่จะบรรเทาความทุกข์ยากลาบากของเขาไปได้บ้างนี่คือบุญอุทิศ อุทิศให้แก่เปรตเปรตคือผู้ที่เป็นขอทานของจิตวิญญาณพวกนี้เวลามีชีวิตยอยู่ไม่ทอบทำบุญเพราะมีความโลภมีความตนดีมีความหวงอยากได้เงินมากๆไม่อยากให้เงินใครหวงเงินเสียดายเงินเลยไม่ได้ทำบุญ ทำแต่บาปเพราะอยากจะได้เงินมากมากก็ต้องลักทรัพย์บ้างช่อโกบบ้างฆ่าสั์ตัดชีวิตบ้างโกหกหลอกลวงบ้างพอทำอย่างนี้เพื่อจะได้เงินมามากๆเวลาตายไปก็เลยต้องไปเป็นขอทานในโลกทิพย์เป็นเปรตนี่แหละคือผู้ที่จะรอรับส่วนบุญมีพวกเปรตนี้พวกเดียวเท่านั้น ถ้าเป็นเดรัจฉานเขาก็หากินของเขาเองได้เขาไม่ต้องมารอรับบุญอุทิศถ้าไปเกิดในนรกก็รับไม่ได้เพราะนารกนี้เป็นที่เขาไม่ให้ใครเข้าไปเยี่ยมเหมือนคุกตาาเหมือนเป็นแดนแดนประหารนับโทษแดนปราหารเขาจะไม่ให้เข้าไปเยี่ยมเขาจะเอาไปประหารชีวิต ผู้ที่ตกนรกก็เป็นอย่างนั้นรับผลบุญไม่ได้ผู้ที่ตกนรกก็คือผู้ที่ทำบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเช่นฆ่าผู้อื่นพวกเกลียดแค้นเกลียดชังตายไปก็ต้องไปตกนรกพวกนี้รับผลบุญอุทิศไม่ได้แต่บุญที่เราอุทิศนี้ถ้าไม่มีใครรับ มันก็กลับมาเป็นของเราแต่บุญส่วนใหญ่นั้นเราเป็นของเราอยู่แล้วเราทําบุญน้ําเต็มแก้วน้ําในแก้วนี่เป็นของเราแล้วส่วนเศษน้าที่เหลือตก้างอยู่ในแก้วนี้เป็นบุญที่เราอุทิศให้แก่ผู้ดังนั้นขอให้พวกเราจงอย่าประมาทจงพยายามทำบุญกันให้มากๆ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปรับผลบาปไม่ต้องไปเป็นขอทานไปคอยรับบุญอุทิศต่างๆแต่เราใช้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุจูงใจให้พวกเราได้มาทำบุญกันเช่น ว, วันครบรอบวันตายของบิดามาดาของปู่ย่าตายายเราลำเลึกถึงพระคุณของท่าน เราเป็นห่วงท่านเราก็มาทำบุญกันถึงแม้ว่าบุญที่เราอุทิศนี้จะไม่มากเหมือนกับบุญที่เราได้แต่อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเขาได้ถ้าเขาตกอยู่ในฐานะนั้นแต่ถ้าเขาไม่อยู่ในฐานะนั้น mm. เช่นเขาเป็นเทวดาถ้าเขารับทราบเขาก็จะอนุโมทนา ชื่นชมยินดีกับความปรารถนาดีของพวกเราพวกเราก็จะมีบุญติดตัวไปต่อไปเวลาตายไปเราจะได้ไปเกิดดีไปเกิดเป็นเทวดา<ม>เป็นต้นอยู่ที่การทำบุญเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทำให้เราได้เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันเอง เหมืกับการรับประทานอาหารคนอื่นรับประทานแทนเราไม่ได้เช่นเพื่อนไปรับประทานอาหารแลกลับมาบอกว่าเอ้ยวันนี้ไปกินข้าวให้คุณแ้วนะขอให้คุณมีความอิ่มนะมันก็พูดได้แต่ลงปากแต่คนฟังฟังแล้วก็ไม่อิ่มเพราะไม่ได้กินถ้าอยากจะอิ่มก็ต้องไปกินเอง ชัในใดเรื่องของบุญเรื่องของบาปก็เป็นอย่างนี้ใครทำบุญไว้ก็เป็นผู้รับผลของบุญใครทำบาปก็ต้องเป็นผู้รับผลของบาปไปดังที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีบุญมีบาปเป็นของตนจะทำบุญหรือทำบาปไว้จะต้องเป็นผู้รับผลบุญผลบาปนั้นดังนั้น ถ้าเราอยากจะได้ผลบุญก็ขอให้ทำบุญกันถ้าเราไม่อยากจะรับผลบาปก็อย่าทำบาปกันผลของบาปก็คือการไปเกิดในอบายผลของบุญก็การไปเกิดในสวรรค์ได้เป็นเทพได้เป็นพรมได้เป็นพระอริยเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันต์อยู่ที่การทำบุญไม่ทำบาป ถ้าทำบุญไม่ทำบาป ก, ก็ไปถึงชั้นเทวดาถ้าทำบุญไม่ทำบาปแล้วก็กำจัดกิเลสตัณหาถ้าได้ชั่วกราวก็ไปเป็นพรหมถ้าได้ถาวรก็ได้เป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์จะเข้าสู่ขั้นโสดาบันได้ จะต้องเกิดปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจทุกขังอนัตตาเห็นว่ามีการเกิดก็ต้องมีการดับเป็นธรรมดาเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเห็นว่าถ้าไปยึดไปติดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นถ้าเราไปยึดไปติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรา เวลาร่างกายจะตายเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันเราก็จะไม่ทุกข์ใจเหมือนกับเราไม่ทุกข์กับความตายของคนอื่นเราได้ยินข่าวทุกวันในหน้าหนังสือพิมพ์คนนั้นตายคนนี้ตายทำไมเราไม่ทุกข์เลยก็เ พ, เพราะเราไม่ไปคิดว่าเขาเป็นเรานั่นเอง แต่ถ้าเราไปคิดว่าเป็นของเราเราจะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเราได้ยินข่าวว่าแฟนของเราตายไปเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเขาไม่เป็นแฟนของเราเวลาเขาตายไปเขาเราจะไม่ทุกข์เลยดังนั้นความทุกข์เกิดจากการที่เราไปคิดว่าเขาเป็นของเรา ถ้ามีอะไรเป็นของเราแล้วเราจะทุกข์กับของนั้นทันทีแต่ถ้าเราไม่คิดว่าเป็นของเราเราก็จะไม่ทุกดังนั้นเราควรจะไม่คิดว่าเป็นของเราเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราอย่างแท้จริงเรามาตัวเปล่าๆแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปตัวเปล่าๆ เ, เราไม่ได้อะไรติดตัวไปด้วย เราเอาแฟนไปไม่ได้เอาสามีเอาภรรยาไปไม่ได้เอาบุตรเอาธีดาไปไม่ได้เอาลาบลดสรรเสริญไปไม่ได้เอารูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะไปไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้เลยของทุกอย่างที่เราหากันมาแทบเป็นแทบตายเราเคยคิดกันมั่งหรือเปล่าถ้าเราคิดนี้เราจะไม่หามากมายอย่างที่เราหากัน แต่เพราะเราไม่คิดกันเราเลยคิดว่ามีมากๆจะมีความสุขแต่หารู้ไหมว่ายิ่งมีมากยิ่งมีความทุกข์เรามองไม่เห็นความทุกข์ภายในใจของเราเพราะเราไม่เคยหันเข้ามามองใจของเราเรามัวแต่มองคนอื่นมองสิ่งอื่นเวลาเราทุกขกับเขาเราก็ไม่รู้ว่าเราทุกข์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าทุกข์ของเราเกิดจากอะไร เราก็ไปแก้โดยวิธีไม่ถูกเช่นเวลาเราไม่เราไม่สบายใจเราทุกข์ใจเราก็ไปหาหมอดูเราก็ไปทำบุญสะาะเคราะห์การทำบุญสระเคราะห์นี้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจของเราได้เพราะความทุกข์ใจไม่ได้เกิดจากการไม่ได้ทำบุญหรือไม่ได้สาะเคราะห์ แต่เกิดจากความอยากความหลงของเรานั่นเองเกิดจากความหลงที่ไม่เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราไปคิดว่าเป็นของเราพอเขาจะต้องเป็นอะไรไปเราก็ทุกขขึ้นมาถ้าเรามาแก้ที่ใจมาบอกใจว่าไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเรากับเขาก็ต้องจากกันไป ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ทุกข์เราจะได้ไม่ต้องไปทำบุญสะดอกเคราะห์ไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทรงผมบางคนคิดว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทรงผมแล้วเคราะห์กรรมคือความไม่สบายอกไม่สบายใจจะหายไปไม่มีวันหายไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ถ้าไม่มาแก้ที่ความหลงแล้วรับรองได้ว่าความไม่สบายใจจะไม่มีวันหายถ้ามาแก้ที่ความหลงได้มาสอนใจให้เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราสามีก็ไม่ใช่ของเราภรรยาก็ไม่ใช่ของเราพ่อแม่ก็ไม่ใช่ของเราลูกเต้าก็ไม่ใช่ของเราสมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่ใช่ของเรา เพาเดี๋ยวเราก็ต้องจากเขาไปหมดแล้วหรือไม่เช่นนั้นเขาก็จากเราไปก่อนมีการจากกันอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นของชั่วคราวเราจึงไม่ควรไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นของเราถ้าเรามองทุกอย่างว่าไม่ใช่ของเรามองทุกคนว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเลย นี่แหละคือวิธีสะเดะาะเคราะห์ที่แท้จริงวิธีที่ทำให้เราหายจากความไม่สบายใจด้วยการเข้ามาสอนใจเราเปลี่ยนใจเราอย่าไปมองว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นอันขาดพยายามมองตลอดเวลาว่าไม่ใช่ของเราเหมือนกับเวลาเรามองคนอื่นมองของอื่น ที่ไม่ใช่เป็นของเราฉันใดของที่เรามองว่าเป็นของเราเราก็ต้องมองว่ามันไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันมันจะอยู่มันจะไปก็เรื่องของมันมันอยู่ได้มันอยู่เราก็ใช้มันไปพอมันไม่อยู่ก็ไม่ต้องใช้มันเราต้องหัดอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรให้ได้ตอนนี้ที่เราทุกข์เพราะว่า เรายัางต้องอาศัยของต่างๆอาศัยบุคคลต่างๆมาให้ความสุขกับเรานั่นเองนั่นเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าเราสามารถอยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรและมีความสุขมากกว่ามีอะไรเสียอีกนี่เราไม่รู้กันเราจึงต้องมาหาพระพุทธเจ้าที่รู้ความจริงอันนี้พระพุทธเจ้าก็จะสอนให้พวกเรา ตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปอย่าไปอาศัยลาบยศสารเสริญอย่าเอาไปอย่าไปอาศัยรูปเสียงกิจโลดโผฏฐะพระอย่าไปอาศัยบุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้อย่าไปอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเขาไม่แน่นอนเขาจะหายไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เขาจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ พอเวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาหายไปเราก็จะไม่สบายใจเช่นแฟนของเราเปลี่ยนไปจากการที่เคยเป็นคนดีรับใช้เราดูแลเราเปลี่ยนไปเขาไปดูแลรับใช้คนอื่นอย่างนี้เราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราไม่ไปพึ่งเขาเขาจะรับใช้เราดูแลเราหรือไม่เราไม่สนใจ เราดูแลตัวเราเองได้รับใช้ตัวเราเองได้เวลาเขาไปรับใช้คนอื่นเราก็จะไม่เสียใจพระเจ้าสอนให้เราถือหลักอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอย่าไปพึ่งคนอื่นอย่าไปพึ่งสิ่งอื่นเพราะเขาไม่แน่นอนไม่เที่ยงมีวันเกิดมีวันดับมีวันมามีวันไป มีวันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ตัวเรานี้อยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าเราจะไปไหนมันจะอยู่กับเราเหมือนกับเงาตามตัวเราเราไปที่ไหนเงามันตามเราไปเสมอมันไม่ทอดทิ้งเราเงา น, นี่แหละเป็นเพื่อนแท้ของเราตัวเราก็นี่แหละเป็นเพื่อนแท้ของเรา อ, อัตติอัตโนนาโถนี่แหละเป็นเพื่อนแท้ที่แท้จริง เราจะสุขเราจะทุกข์มันไม่เคยทอดทิ้งเรามันอยู่กับเราเสมอแต่เราไม่ใช้บริการมันเองเราไม่ไปพึ่งมันกันเองเราไปพึ่งในสิ่งที่พึ่งไม่ได้สิ่งที่พึ่งได้กับไม่พึ่งคือตัวเรานี่แหละดงนั้นหัดพึ่งตัวเราเองอย่าไปพึ่งคนอื่นหัดทำอะไรเองอย่าไปมีคนใช้ทำทุกอย่างเองกวาดบ้านถูบ้านเอง ทำกับข้าวเองไปซื้อกับข้าวเองขับรถเองซักเสื้อผ้าเองรับรองได้ว่าจะไม่ต้องทุกข์กับคนใช้ไม่งั้นเดี๋ยวคนใช้คนนี้มาอยู่เดี๋ยวก็อยากจะลาออกแล้วลาออกก็ต้องหาคนใช้คนใหม่ได้คนใหม่มาเดี๋ยวไม่นานก็ไปแต่งงานมีแฟนแนละก็ออกอีกมีเปลี่ยนไปได้เรื่อยต้องคอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราไม่ต้องพึ่งใครเราทําเองได้สบายใครเพราะว่าเราอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราทําไม่ได้ก็เถอว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เลยในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เพราะเราไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องอาศัยใครไม่ต้องมีแฟนมีแฟนนี่ทุกข์กว่าการไม่มีแฟนทําใจ ให้สงบจะดีกว่าสร้างความสุขภายในตัวเราเองดีกว่า อ, อัตตาหิอัตโนนาโถบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปนี่แหละเป็นที่เป็นแฟนของเราที่แท้จริงเป็นคู่รักของเราอย่างแท้จริงก็คือพุทธโธนี่เองท่องพุทธโธพุทธโธไปใจจะว่างจะเย็นจะสบายจะสงบจะมีความสุขมาก จะไม่เดือดร้อนว่ามีแฟนหรือไม่มีแฟนจะไม่อยากมีแฟนเพราะมีแล้ววุ่นวายต้องมาคอยดูแลกันต้องมาคอยขออนุญาตกันจะไปไหนมาไหนก็ต้องขออนุญาตแฟนก่อนถ้าแฟนไม่ให้ไปก็ไปไม่ได้นี่กลายเป็นกลายเป็นคนใช้ไปแล้วแทนที่จะมีอิสระภาพจะไปไหนมาไหน ตามลำพังไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีแฟนนี่สบายเพื่อนโทรมาชวนไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยอยากจะไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยอยากจะไปวัดเมื่อไหร่ก็ไปได้อยากจะทำอะไรทำได้หมดเลยไม่ต้องมาคอยกังวลกับคนนั้นคนนี้ถ้ามีแฟนมีลูกมีสามีมีภรรยาไปไหนไม่ได้เลยต้องคอยเลี้ยงลูกเลี้ยงแฟนอยู่ ทำงานทำการแทบเป็นแทบกายก็ต้องเอาเงินมาเลีเ้ยงลูกเลี้ยงแฟนจะไปไหนตามลำพังนี้ไปไม่ได้เลยเป็นทาสของของลูกของแฟนไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่พะเราไปพึ่งเขาอยากจะมีแฟนจะได้มีความสุขอยากจะมีลูกจะได้มีความสุขจะได้มีคนมาคอยรับสมบัติของเราแต่ดีไม่ดี มันรัผ้านสมบัติของเราก่อนที่เราจะตายไปเสียด้วยซ้ําส่ลูกคนหนึ่งกว่าจะเลี้ยงมันโตนี้หมดไปสกักปีต่างส่งไปเรียนหนังสือแทบเป็นแทบตายถ้าไม่มีลูกนี้เอาเองินไปเที่ยวได้อย่างสบายจะไปเที่ยวฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีไปได้ทุกปีเลยแต่นี่ไปไม่ได้ถ้ามีลูกต้องส่งลูกไปเรียนหนังสือค่าเราเรียนสมัยนี้ก็แพงถ้ากินก็แพง ไหนดีไม่ดีต้องซื้อรถให้มันขับอีกแล้วก็ต้องมาทุกเวลาไปชนกับคนนั้นคนนี้นี่คือเรื่องการไม่พึ่งตัวเองอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีสามีต้องมีภรรยาต้องมีลูกแล้วเป็นยังไงมันสุขกับทุกข์มากน้อยต่างกันอย่างไรเคยลองเอามาบวกลบคูณหารดูไหมว่าตั้งแต่มีสามีมีภรรยามีครอบครัวนี่ ความสุขกับความทุกข์นี่อันไหนมันจะมากกว่ากันเรามองไม่เห็นความทุกข์กันเพราะเราไม่ยอมมองกันเรากลัวอยู่คนเดียวเรากลัวความทุกข์ที่เกิดจากอยู่คนเดียวเราจึงยอมกล้าทุกกับความทุกข์ที่อยู่กับคนอื่นทั้งๆ ท, ที่มันมากกว่าหลายสิบหลายร้อยเท่าเพราะเราไม่รู้ว่าเราสามารถอยู่คนเดียวได้ สามารถในความสุขมากกว่าอยู่กับคนอื่นได้เราไม่รู้จักวิธีเราไม่รู้จกัจกพุโทโธนั่นเองถ้าเราเจอพุโทโธแล้วเราก็จะไม่ต้องมีคู่ครองไม่ต้องมีครอบครัวเพราะเรามีคู่รักที่แท้จริงพุโทโธนี่แหละคือคู่รักคู่ครองที่แท้จริงที่จะคอยดูแลษาปกป้องจิตใจของเรา ให้มีแต่ความสุขความสบายให้มีความอิ่มหนำสำราญใจไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับใครทั้งนั้นนี่แหละคืออัตตาหิอัตนโนนาโถคู่รักที่แท้จริงของเราคือพุทธโธเรียกว่าพุทธานุสติพยายามมาสึดท่องพุทธโธพุทธโธกันแล้วเราจะอยู่คนเดียวได้จะมีความสุขมากกว่าอยู่กับคนหลายคน แล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลยอยู่ที่การเชื่อในพระพุทธเจ้าทำตามที่พุทเจ้าทรงสอนให้เรามาหาพุทโธให้เราอย่าไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆอย่าไปมีอะไรอย่าไปเป็นอะไรเพราะการมีการเป็นนี้เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไป เวลาหมดไปก็ต้องมาร้องห่มร้องห้ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องร้องห่มร้องอห้เพราะไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะหมดอยู่คนเดียวนี้แสนจะสบายไม่อยู่กันเพราะว่าไม่เชื่อพระพุทธเจา้าเชื่อแต่ปากพุทธังจรงนรนังกัจฉามิแต่พอให้บอกให้ทากับไม่ยองทำกันบอกให้อยู่คนเดียวก็ไม่ยอมอยู่ ต้องไปดิ้นไปหาแฟนหาสามีหาภรรยาหาครอบครัวกันนี่เรียกว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจริงถ้าเชื่อจริงต้องทางตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต้องออกบวชกันเป็นพระกันเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าถึงจะเรียกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าจริงถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าจริงรับรองได้ว่าจะต้องได้รับความสุขแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้สําเรา จะต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นเพราะวิธีการเป็นวิธีอันเดียวกันเหมือนเวลาหุมข้าวถ้าหุมข้าวด้วยวิธีเดียวกันก็จะได้ผลเหมือนกันฉันใดถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ผลแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับก็คือได้ หุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พบกับความสุขที่เป็นถาวรคือบาลมมสุขปรมังสุขขังนี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะได้รับกันแต่เรากลับไม่สนใจกันเรากลับไม่เชื่อพระพุทธเจ้ากันเรากลับไปเชื่อความหลงของเราที่หลอกให้เรามีแฟนมีครอบครัว มีอะไรต่างๆแล้วผลเป็นยังไงเรามีความสุขหรือมีความทุกข์กันทุกวันนี้ดังนั้นขอให้เราจงเชื่อพระพุทธเจ้าจงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทําทานก็ทำกันสอนให้รักษาศีลก็รักษากันสอนให้ภาวนาก็ภาวนากันแล้วแม่ช้าก็แล้วเราก็จะอยู่คนเดียวได้ไปตลอด มีความสุขไปตลอดไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำบุญด้วยโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดก็ดีวันแก่ก็ดีวันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือวันตายของใครก็ดีขอให้พวกเราทำกันไปทำให้มากๆอย่าทำเพียงแต่ทาน ทำทานแล้วต้องรักษาศีลรักษาศีลนั่งต้องภาวนาทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้เป็นปัญญาขึ้นมาแล้วเราจะได้อานิสงส์ของบุญเต็มร้อยเปอร์เซนต์การแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตน์ัยและบุญกุศล